การรับกรรมฐานในการรับกรรมฐานท่านให้ทำเป็นพิธีการสักหน่อยคือเข้าไปหาท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วกล่าวคามอบถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าทำนองนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่พระองค์คําบาลีว่า อิมาหังพักวาอัตภาวังตุมหากรังปริจชามิจะแปลว่าขอถวายชีวิตก็ได้หรือมอบตัวแก่พระอาจารย์ก็ได้ว่าข้าแต่ท่านพระอาจารย์ข้าพระเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่ท่านคําบาลีว่าอิมาหังพันเตอัตภาวังตุมหากรังปริจชามิ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 ให้ประกอบด้วยอโลพะอโทสะอโมหะเนคข ม, มะความฝ่ายสงัดและความรอดพ้นกับทั้งธรรมจิตให้น้มน้อมไปในสมาธิและนิพพานแล้วขอกรรมฐานป่ายพระอาจารย์ถ้ารู้จิตใจสิทธิ์ได้ก็กำหนดจริยาด้วยญาณ น, นั้นถ้ามิฉะนั้นก็สอบถามให้รู้เช่นว่า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 สมาธิมีขั้นตอนอย่างไรวิธีรักษาเลี้ยงและทำสมาธิให้มีกำลังมากขึ้นทำอย่างไรเป็นต้นตามที่ท่านแสดงในตอนว่าด้วยการเจริญอาณาปณสติว่าให้เรียนกรรมฐานที่มีส่วนที่ห้าคือเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานหาข้อหรือห้าภาคได้แก่หนึ่ง อุคฮเรียนหลักของกรรมฐานตามแบบแผนหรือตำรา 2. ปริปุชฉาสอบถามความหมายและข้อสงสัยให้เสร็จสิ้น 3. อุปทานการปรากฏแห่งนิมิตกรรมฐานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น 4. อปปนาการที่กรรมฐานจะแน่วแน่ถึงขั้นชานได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หาลักษณะกำหนดสภาพของกรรมฐานว่ากรรมฐานนี้มีลักษณะอย่างนี้จะสำเร็จด้วยธรรมอย่างนี้อย่างนี้ท้ายข้อ3นี้จะแสดงอย่างรวบรัด พอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกรรมฐานกับจริยาที่เหมาะกันแล้วระดับสมาธิที่กรรมฐานชนิดนั้นจะให้สำเร็จได้โดยทำเป็นตารางดังนี้ในที่นี้ท่านทำเป็นตารางไว้ขอสรุปอ่านให้ฟังดังนี้นะครับกะสินสิบวันนกกะสินสี่จริยาที่เหมาะคือโทสะเจริศ ขิดขั้นความสาเร็จได้แก่ปฏิภาคนิมิตอุปจารสมาธิปฐมฌานจนถึงจตุทถาฌานเกษินอื่นๆที่เหลือเหมาะกับทุกจริตขิดขั้นความสาเร็จคือปฏิภาคนิมิตจนถึงจตุทถาฌานหรือฌานที่สอสุภาษิตเหมาะกับราคาจริตขิดขั้นความสาเร็จ คือปฏิภาณนิมิตอุปจาราสมาธิและปะถมฌานอนุสติสิบพุทธาธรรมาสังคาสศีลาจาคาเทวตาเหมาะกับศรัทธาจริตคิดขั้นความสำเร็จอุปจาราสมาธิอุปมานุนสติมรณสติจริยาที่เหมาะ คือพุทธิจริตขีดขั้นความสำเร็จคืออุปจารสามาธิกายคตาสติเหมาะกับราคาจริตขีดขั้นความสำเร็จปฏิภาณิมิตอุปจารสามาธิและปถมฌ า, านอาณาปานาสติเหมาะกับโมหจริตและวิตกจริต ขีดขั้นความสำเร็จคือตั้งแต่ปฏิภาคนิมิตอุปจารสมาธิปฐมฌานจนถึงจตุทถาฌานในกลุ่มอปปมัญญาสี่เมตตากรุณามุทิตาเหมาะกับโทสาเจริตขีดขั้นความสำเร็จคืออุปจารสมาธิปฐมฌานจนถึงตติยชฌาน เบขาเหมาะกับโทสัจจริตขีดขั้นความสําเร็จคืออุปจารสมาธิและจะตุตาฐานอาหารเรปฏิกูและสัญญาเหมาะกับพุท ธ, ธิจริตขีดขั้นความสําเร็จคืออุปจารสามาธิจตูธาตุวะวัฐานเหมาะกับพุท ธ, ธิจริต ขิดขั้นความสาเร็จคืออุปจารสมาธิในกลุ่มอารูปสี่ซึ่งประกอบไปด้วยอาการานันจายตนะวิญญาณันจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะเหมาะกับทุกจริตขีดขั้นความสาเร็จคืออุปจารสามาธิจตุตถาชานและอารูปชานที่1ถึงสี่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 พูดอย่างกว้างๆแล้วกรรมฐานทุกอย่างก็เป็นประโยชน์ช่วยข่มอกุศลและเกื้อหนุนกุศลธรรมได้ทั้งนั้นเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานส0สบท่านแสดงไว้อีกหลายอย่างแต่เห็นว่าพอจะถือเป็นข้อปลีกย่อยได้จึงขอยุติไว้เพียงนี้หมายเหตุผู้อา่านสำหรับท่านที่สนใจ ศึกษาได้จากคำภีวิสุทธิ์ที่มากนะครับซึ่งทางชมรมผลดีก็ได้อาดเสียงเวลาวเช่นกัน